พระบัญญัติ475ก็ภิกษุใดให้ชั้นท่าเพื่อกรรมที่ทำถูกต้องแล้วกลับติดเตียนในภายหลังต้องอบัตปาจิตตีเรื่องพระชพคีจบ